บัดนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปพระพุทธดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้โดยในยะ ต, ต่างๆนั้นจุดมุ่งหมายจริงๆก็คือสอนเรื่องของความทุกข์และการทำตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ ส่วนสิ่งที่จะเป็นเหตุให้เกิดความเพียรพยายามมองเห็นโทษของความทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์มองเห็นคุณของความสุขและเหตุให้เกิดความสุขก็ทรงใช้วิธีการต่างๆที่คนฟังในโอกาสนั้นในขณะนั้นสามารถเข้าใจแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติได้ ซึ่งเมื่อปฏิบัติไปแล้วผลก็จะเกิดขึ้นโดยธรรมนองเดียวกันอย่างในย่าแห่งพระพุทธธรรมรัตที่ไอซาดแกท่านปิงคิยะมานุในคราวนั้นเราทรงสอนในหลายลักษณะโดยพุทธธรรมรัตที่สัจว่าคนทั้งหลายเดือดร้อนขึ้นอยู่มีการเบียดเบียนกัน เพราะตัหาเธอจงพยายามทำลายตันหาละตันหาแล้วจะไม่เข้าสู่อำนาจของชราอีกต่อไปนรยะแห่งพระพุทธธร ร, รั่ที่ตรัดสั้นๆนั้นเมื่อถ้ามองในแง่ขององค์ธรรมที่จงทรงจำแนกแสดงไว้ในที่อื่นๆก็จะเห็นว่า เป็นการสะท้อนภาพของความทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ง่ายเห็นกันได้ง่ายแต่ทรงสอนในลักษณะสืบสาวถึงมูลเหตุของปัญหาเหล่านั้นจึงแน่นอนและเกิดไม่มีใครต้องการปรารถนาที่จะให้ความทุกข์ในลักษณะต่างๆเกิดขึ้นแก่ตน แต่ถ้าหากว่าเหตุของความทุกข์ยังมีอยู่ความทุกข์ก็ต้องมีอยู่จึงทรงสอนให้บุคคลมองทั้งช่วงของความทุกข์และเหตุที้เกิดทุกข์ว่าเป็นของที่เกี่ยวข้องถึงกันถ้าไม่ปรารถนาความทุกข์ก็อย่าไปสร้างเหตุแห่งความทุกข์ในขณะเดียวกันเหตุของความทุกข์ที่มีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วภายในใจของตน ก็ต้องพยายามเพียนลดละบันเทาให้เกิดการสงบหรืองับตับลงไปอย่างในกรณีของการสอนให้ดูการเบียดเบียนประทุสร้ายกันที่จึงแล้วชีวิตประสบด้วยการเบียดเบียนจากหลายทางด้วยกันแต่ภาพที่ปรากฏชัดเป็นรู ป, ปรธรรมมีความเคลื่อนไหวเป็นนักยากกรรมต่างๆนั้นก็คือการที่ คนที่สัตว์เบียดเบียนประทุสรายกันแต่ในชั้นนี้ทรงสอนระดับศีลเพื่อเกิดการสำรวมระวังอย่างน้อยที่สุดตนเองจะไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นประการเบียดเบียนใครก็ตามนอกจากจะสร้างความทุกข์ให้แก่บุคคลอื่นแล้วยังสร้างความทุกข์ให้แก่ตนเอง แต่ว่าคนที่เราเบียดเบียนนั้นจะทุกข์ในช่วงระยะสั้นๆ ส, ส, ส่วนเราซึ่งไปเบียดเบียนคนอื่นจะทุกข์ตลอดกาละนานเพระาะอะไรเพราะว่าเจตนาเป็นเหตุให้กระทําการเบียดเบียนบุคคลอื่นนั้นเป็นอกุศลมีความโลภรุนแรงบ้างความโกรธรุนแรงบ้างความดุรุนแรงบ้างผันผลคือความทุกข์จึงมีทั้งในปัจจุบันที่เป็นทุกขเวทนาแล้วก็เป็นเหตุ แห่งเวรภัยที่จะต้องคอยหลบซ่อนหลีกหนีภัยอันตรายเหล่านั้นซึ่งบางครั้งอาจจะหลบซ่อนไปได้ในเชิงที่เป็นรูปแบบแต่หลบซ่อนความวิปกอิสารใจความเดือดร้อนใจความนิตกังวลที่มีอยู่ภายในใจของตนไม่ได้และสิ่งที่บุคคลไม่สามารถรอดพ้นไปได้ก็คือกรรมที่ตนได้กระทําเอาไว้ จะต้องชดใช้ผลทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติภายภาคหน้ากรนี้จะเห็นได้ว่าการเบียดเบียนการประทุษร้ายบุคคลอื่นนั้นถ้ามองถึงทุกข์ที่บังเกิดขึ้นแล้วคนที่ถูกระเบียดเบียนมีทุกข์น้อยกว่าแต่เราจะประสบความทุกข์มากกว่าเขาโดยซ้ําไปเพยบุคคลได้มีการสํารวมระวัง ไม่ไปเบียดเบียนไม่ประทุษร้ายบุคคลอื่นให้มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพของชีวิตทั้งในช่วงสั้นๆคือในขณะนั้นๆและในช่วงที่ยาวออกไปคือวันหน้าปีหน้าและช่วงที่ยาวกว่านั้นคือสังสารวัตรเพราะการกระทํานั้นอยู่ในกลุ่มของอกุศลกรรมดังกล่าว ที่จะต้องให้ผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนเสมอไปไม่มีความเป็นอย่างอื่นเมื่อบุคคลมีความตระหนักถึงโทษภัยที่ตนจะได้รับทั้งช่วงขณะนั้นทั้งช่วงที่ยาออกไปและช่วงที่เป็นสังสารวัฏรก็จะเกิดการสำรวมระวังขึ้นมาที่เรียกว่าเป็นเจตนาวิรัติงดเว้นไม่ประพฤติไม่กระทาและในจุดนั้นเอง เมื่อจิตใจของบุคคลมีความประนีตขึ้นก็สามารถมองเห็นถึงความจริงแห่งชีวิตที่พุ่งการตอบสนองด้วยกันทั้งสองฝ่ายนั่นคือการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขธรรมะคือพรหมวิหารมีเมตตาธรรมเป็นต้นก็จะบังเกิดขึ้นระหว่างกันและกันเป็นการก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง คือธรรมะได้เข้าไปถึงใจและเป็นยหยักลักยึดเหนี่ยวใจทําให้เกิดเป็นความสุขความสงบที่สัมผัสได้ในขณะนั้นและสัมผัสได้ในช่วงที่ยาวออกไปตลอดถึงในสังสารวัฏซึ่งในการกระทําความดีก็มีลักษณะเช่นเดียวกันผลประโยชน์ที่บุคคลอื่นได้รับนั้นถ้าเทียบเคียงกับที่ตนได้รับแล้วที่ตนได้รับมีช่วงให้ผลนานกว่า เช่นสมมติว่าบุคคลมีความเมตตาสงเคราะห์นุเคราะห์บุคคลอื่นหรือวัตถุสิ่งของคนนั้นใช้สอยวัตถุนั้นสามารถบรรเทาความทุกข์ได้ในขณะนั้นแต่ในสุดของนั้นก็ต้องหมดไปส่วนคือกุศลและจิตที่บังเกิดขึ้นเป็นเหตุให้แสดงเมตตาออกไปทางกายทางใจและทางใจนั้นมีผลความสุขแพพก่ผู้กระทําทั้งในขณะนั้น หลังจากนั้นและเป็นความสุขที่ต่อเนื่องกันไปในสัมประะาคพเฉพาะพายภาคหน้าบ เ, เมื่อพิจารณาเทียบเคียงแล้วความรับผิดชอบในตนเองที่จะไม่ให้ความสุขบังไม่ไม้ความทุกข์บังเกิดขึ้นเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติธรรมะเพราะเมื่อคนเรามีความรับผิดชอบในตนเองแล้วแม้การประทุษร้ายเบียดเบียนบุคคลอื่นก็เกิดขึ้นไม่ได้ เพรนั่นคือการกระทําที่ขาดความรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพของตนเองโดยนิยามที่กล่าวแล้วประการต่อไปนั้นทรงมองสอนในรูปของความเบียดเบียนที่เกิดขึ้นจากการกระทําของตนเองและจากองค์ประกอบของร่างกายเป็นต้นในกรณีที่เป็นความเบียดเบียนซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทําของตนเองนั้นได้แก่ความอ่อนไหวภายในจิต ที่ไม่สามารถควบคุมความคิดของตนเอาไว้และในที่สุดก็แสดงออกมาในรูปที่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นภายในใจตนเองเห็นว่าไปจกนึกเป็นเหนียวนึกในเรื่องที่ไม่ควรแก่การจรกนึกที่สงใช้คาว่าไม่ฉลาดในทางแห่งวิตกคือสิ่งที่นำมาเหนียวนึกเพรเรื่องของสิ่งที่นำมาเหนียวนึกนั้นถ้ามองให้ง่ายในรูปที่เป็นวัตถุ ก็จะพบว่าบางอย่างเป็นประโยชน์บางอย่างไม่เป็นประโยชน์แล้วซ้ำกลับเกิดโทษแก่ตัวเองเทซ้ําไปเช่นบุคคลไปหยิบของโสกปรกหรือสิ่งที่ร้อนๆข้ามัดกรรมเอาไว้นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์แล้วยังจะเกิดโทษแต่บุคคลก็ยังถือเอาไว้ยังยึดเอาไว้ลักษณะของอารมณ์ก็เป็นเช่นเดียวกัน บางอย่างความคิดของบุคคล น, นั่นเองเป็นค่าศึกของบุคคล น, นั้นเพราะไม่ได้ใคร่ควรวญพิจารณาถึงอารมณ์ที่นำมาตรึกนึกนอนอยู่ดีๆจิตใจจะสงบหรือนั่งกรรมฐานอยู่แต่ใจเป็นเดียวนึกถึงเรื่องที่รักใคร่ปรารถนาพอใจมาตรึกนึกบ่อยข้าวความคิดก็แล่นออกจากอารมณ์ของกรรมฐาน ไปครุกคล้าวกับอารมณ์ที่ตนรักใคร่ปรารถนาพอใจในขั้นตอนของการปฏิบัติท่านใช้คําว่าปริโพ o o t คือสิ่งที่กังวลใจบ้างแต่ถ้าในรูปของนิวรณ์ท่านก็เรียกว่าเป็นกามาชันนิวรณ์เร่งโดยหลักการปฏิบัติสมถกรรมฐานมุ่งสงบระงับกามาชันทนนิวรณ์เป็นหลัก <c oughs> แต่ก็จริงในขณะที่ปฏิบัติกรรมฐานอยู่นั่นเองบุคคลกลับเหนียวนึกเพื่อเพิ่มกามาชันใะนิวรณ์ นี้แสดงว่าไม่ฉลาดในทางแห่งความคิดหรือไม่ฉลาดในทางแห่งวิตกบางอย่างไปเหนียบนึกถึงเรื่องที่ก่อให้เกิดความอาฆาตครับแค้นจิงช่างอึดอัดพยาบาทเป็นต้นความสงบก็ความไม่สงบก็เกิดขึ้นภายในจิตในขณะนั้นว่าที่จริงถ้าเป็นรูปธรรมก็เหมือนกับไปจับไฟเข้าน่าจะรีบโยนทิ้งไป แต่บางคนกลับไม่โยนทิ้งไปจับเอาไว้แล้วก็บ่นวร้อนซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำของตนเองแท้ๆแม้อารมณ์หลอกอื่นที่เกิดขึ้นจากความหวาดความระแวงความกางังวลทกี่การคาดหมายเอาเอาการนึกดาวเอาการคาดคะเนเอาว่าน่าจะต้องเป็นอย่างนั้น น, น, น, น่าจะต้องเป็นอย่างนี้น่าจะต้องเป็นอย่างโน้นซึ่งชอบมองในแง่ร้าย ที่จะเป็นเพิ่มเป็นการเพิ่มความทุกข์ให้ในสุดความทุกข์ก็เกิดซึ่งก็เป็นกฎเกณฑ์ปกติธรรมดาข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงใช้คาโดยสรุปว่ามีความดำริผิดเป็นทางเดินของจิตคือจิตเป็นเหนียวนึกเรื่องผิดเมื่อผิดก็ต้องร่าเรอนร้าวร้องก็ต้องเป็นทุกข์และความทุกข์นั้นเองก็ถ้าคิดบ่อยๆก็จะทับถมอยู่ภายในใจของตนเอง แต่การทับถมกองความทุกข์นั้นไม่ได้ทับถมเฉพาะทุกข์แต่ทับถมกิเลสลงไปด้วยเพราะอะไรพระตาหากว่าอารมณ์ที่เหนียวนึกไว้นั้นเป็นเรื่องที่ตนใคร่ปรารถนาพอใจก็เข้าในสูตรของกิเลสประเภทนี้จะเรียกว่าเมื่อมีแล้วก็อยากมีต่อต่อไปที่มีแล้วก็อยากจะให้อยู่ต่อต่อไปแต่อยู่แล้วก็ไม่อยากให้จากไป เพาะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นไปาตามที่ตนต้องการให้เป็นก็เพิ่มทุกข์กันอีกชั้นหนึ่งเช่นว่าสิ่งที่ยังไม่มีก็อยากให้มีในเมื่อไม่มีก็เล่าร้อนด้วยความคล่ายความปรารถนาการไขว้คว้าการเรียกร้องในการคิดถามบายวิธีต่างๆที่จะให้มีพอมีขึ้นมาแล้วแทนที่จะได้สุกก็เดือดร้อนอีกพระวิโต ก, กังวลกลัวภัยอันตรายจะเกิดขึ้นกับสิ่งนั้น พอสิ่งนั้นเสื่อมสลายไปแตกพังลายไปเปลี่ยนแปลงไปก็ร้อนอีกเพราะความโศกที่เกิดขึ้นจากความพลัดพราดกับสิ่งอันเป็นที่รักแัง้ความความคิดเหล่านี้จะเห็นว่าส่วนหนึ่งเริ่มมาจากการเหนี่ยวดึกของบุคคลเองที่อาศัยวิจชาสังกัปะคือความคิดในทางที่ผิดในข้อนี้ได้ทรงสอนให้บุคคลได้พิจิจารณาดูจิตของตน ในยามที่ประสบความทุกข์นี่อยู่ไม่น้อยเลยที่เกิดขึ้นจากการกระทําของตัวเราเองไม่มีใครกระทําให้บางครั้งทรงยกตัวอย่างกว้างๆเช่นว่าพระอิศวรก็ไม่ได้ทำพระนารายณ์ก็ไม่ได้ทำพระพรหมก็ไม่ได้ท ำ, ทำแต่จริงแล้วจิตของบุคคลที่ตั้งไว้ผิดนั่นเองได้กระทําตัวเอง เป็นการปฏิเสธเหตุปัจจัยภายนอกบางประการที่เขาเชื่อถือกันถึงแม้จะมีอยู่บ้างมีส่วนอยู่บ้างแต่ตัวการใหญ่อยู่ที่ใจของบุคคลแต่นั้นในชั้นหนึ่งที่การบิดเบียนมาจากภายนอกเราไม่ได้เป็นผู้กระทําแต่คนอื่นเขากระทําในข้อนี้ทรงสอนในรูปของการให้ยุติไว้เท่านั้น เพราะที่เขาทำเรานันนั่นมาก็เจ็บช้ามากพอแล้วอย่าไปซ้าเติมตัวเองให้มากขึ้นอย่าไปรับเรื่องร้ายเหล่านั้นเข้ามาไว้ภายในใจเหมือนก็โยนสิ่งสกปลุกมาให้ก็หลบใชบ้างหรือว่าปัดใช่บ้างหรือถ้าหากว่าถูกแล้วก็ให้มันถูกเท่านั้นอย่าให้เก็บไว้ภายในใจคือมันเมื่อตกไปจากกายเราแล้วให้ตกตามไปด้วย อย่าเก็บเอาไว้ในรูปที่เรียกว่าอุปนาหะคือผูกความโกรธเอาไว้เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นความ ร, าร้อนก็ต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนเรื่องเหล่านี้บางครั้งทรงสอนในแนวที่หมอกให้เป็นสาระคือพยายามเลือกสรรสิ่งที่เป็นสาระชีวิตเรานั้นไม่มีสาระอยู่แล้วและด่าก็เพิ่มแต่สิ่งที่ไม่มีสาระมากยิ่งขึ้น มันก็กลายเป็นชีวิตที่ไม่มีคุณค่าอะไรข้อนี้เพิ่งสังเกตว่าเรามีคำพูดอยู่ประโยคหนึ่งที่จำทรงกันแพร่หลายในภาษาไทยก็คือคำว่าพิจภาคีเลี้วขอทองในความหมายนั้นอาจจะเจาะจงบางเรื่องแต่ถ้ามองกันในแง่นี้ก็จะพบความจริงอีกระดับหนึ่งว่า ชีวิตร่างกายของบุคคลประกอบด้วยขันาธาตุอายสานะแต่ละอย่างนั้นเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งหมดแต่ถ้าหากว่าภายในกองของาธาตุของขันที่ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณ น, นั้นเองได้มีการปรึกปรืออบรมตนเองพัฒนาตนเองขึ้นไปจนอย่างน้อยที่สุดให้อยู่เหนืออำนาจของอารมณ์ ที่จะให้มีการประพฤติกระทำเกี่งการเบียดเบียนรุกรานกันได้ก็จะทำให้ชีวิตของบุคคลนั้นมีค่ามากยิ่งขึ้นที่บางครั้งท่านพูดสรุป ง, ง่ายๆว่าคนดีหรือบัณฑิตรหรือวิญญูณชนที่จริงแล้วเป็นเจตจำนงที่จะสแสวงหาสาระของชีวิตเพราะชีวิตนั้นจะต้องแตกตับ แต่ว่าสิ่งนั้นจะไม่มีการแตกดับตามชีวิตไปอย่างที่แต่ยินได้ฟังกระดูเสมอในกรณีของงานศพที่ว่ารูปังชีรติมัจจานังนามะโคตรังนาชีรติแต่รูปร่างกายของศาตต์ทั้งหลายก็เสื่อมสลายไปแต่ชื่อเสียงเกียรติคุณความดีหาได้เสื่อมสลายตามไปไป ชือเสียงเกียรติคุณความดีนั้นเกิดขึ้นจากกุศลและเจตนาอาศัยร่างกายที่ไม่มีสาระสร้างขึ้นให้กลายเป็นสารธรรมพะสิ่งที่ไม่มีสาระแตกดับไปตามธรรมดาของเขาคือเสียงคุณงามความดีเหล่านั้นก็ยังจูเป็นตราประดับโลกเป็นแบบฉบับในการดาเนินชีวิตของอนุชนรุ่นหลัง แม้ตัวตายไปก็สามารถเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตแก่คนรุ่นต่อๆไปซึ่งกร น, นี้เพิ่งเห็นว่าการปฏิบัติระดับสร้างแบบอย่างนั้นพระพุทธเจ้าและพรานทั้งหลายท่านถือว่าเป็นภารกิจประกาศหนึ่งแม้ท่านเองไม่มีความจำเป็นอะไรที่ต้องกระทำเพราะกิเลส ท, ที่ควรละได้ละแล้ว ความทุกข์ก็ได้กําหนดรู้แล้วนิโรธก็ทําให้แจ้งแล้วมรรคก็เจริญให้สมบูรณ์แล้วแต่พระจิตคิดอนุเคราะห์ต่ออนุชนคนรุ่นต่อไปท่านก็ทําตัวให้เป็นแบบอย่างแม้แต่ชั้นศีลธรรมจัรญาธรรมดาภาร ะ, ระหน้าที่ธรรมดาทั่วไปรุ่ยเจ้าประธานทั้งหลายก็ทําตัวเป็นแบบอย่างเจ้าหน้าที่ของลูกต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ พระสงค์ที่จริงเป็นนาคาิกคือไม่มีบ้านแต่ยามพ่อแม่แก่เฒ่าลงมีพุทธานุญาตพิเศษให้นำพ่อแม่มาเลี้ยงดูปฏิบัติบำรงเช่นเดียวกับครูบาอาจารย์ยถือเป็นการกระทาที่ควรแก่การยกย่องส่งเสริมยามพ่อแม่ต้องทำการละกิริยาจากไปก็ปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอยา่างโดยการ บำเป็นกุศลอุทิศผลที่เกิดขึ้นจากความดีแก่พ่อแม่ของตนหรือแม้แต่การปฏิบัติบางอย่างท่นานใช้คำว่าเป็นเนติคือเป็นแบบแผนในการประฤปฏบิบัติของอนุชนรุ่นหลังเช่นประมาทกสาาปะเทระสมาทานทุดงสามประการอย่างสมบูรณ์เรียกว่าอย่างอุกฤษหรือว่การที่พระอรหันต์ทั้งหลายยังต้องทำบวรสดสังกกรรมกันอยู่เป็นต้น ทจริงท่านไม่มีความจำเป็นอะไรเพราะท่านนั้นได้เข้าถึงความบริสุทธิ์เต็มที่แล้วอุโบสถกรรมเป็นเพียงพิธีกรรมที่จะสอบทานการประพฤติปฏิบัติของตนดูเท่านั้นว่าในช่วงสิบห้าวันนั้นมีอะไรบกพร่องผิดพลาดบ้างจะได้ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นพระอรหันต์ท่านเป็นผู้คงที่แล้ว ไม่จำเป็นจะต้องตรวจสอบอะไรและโดยเจตนารมจริงๆก็ไม่ต้องการให้พวกท่านเหล่านั้นจะต้องมาปฏิบัติโดยเงื่อนไขนี้แต่ท่านก็ต้องสร้างแบบอย่างให้บุคคลอื่นประพฤติปฏิบัติโดยดูท่านเป็นตัวอย่างเพาแม้แต่ภารกิจโดยตรงจริงๆท่านหมดแล้วแต่ภารกิจที่ต้องทำต่อหมู่ต่อคณะต่อสถาบัานนั้นยังมีอยู่ ซึงท่านจะต้องทําเป็นการสแสดงกายศาสมัคคีในปัจจุบันแตเป็นการสร้างแบบแผนให้แก่อนุชนในโอกาสต่อไปเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นมาจากความคิดที่มีความประนีตขึ้นไปโดยลำดับคือแทนที่จะให้ความคิดของตนเองเป็นค่าศึกต่อตนเองก็กลับควบคุมความคิดให้คิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลตลอดการอันยาวนาน คือนั้นมักจะใช้กันมาตลอดกาลยาวนานไม่ใช่เป็นช่วงขณะในช่วงประเดี๋ยวประดาเพราะชีวิตนั้นแม้จะในแต่และช่วงไม่นานนักก็ตามแต่จริงแล้วเป็นเรื่องของสังสาระคือหมุนวนเพราะชีวิตจึงเป็นเรื่องยาวนานในแง่ของสังสารวัตรการปฏิบัติปฏิบัติจึงจะต้อง ไม่เป็นค่าสึกต่อตนเองต่อบุคคลอื่น<ม>เพื่อได้รับประโยชน์เป็นความสุขตลอดการยาวนานในชั้นต่อไปนั้นเกิดขึ้นจากองค์ประกอบของร่างกายที่มีความบกพร่องไปส่งสอนในรูปกรรมฐานข้อหนึ่งที่เรียกอาทีนวสัญญาคือการกำหนดหมายเห็นว่าร่างกายนั้นประกอบด้วยโทษต่างๆในตัวของมันเอง ประกอบด้วยโรคสารพัดโรคในพระบาลีท่านพันนาโรคที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายไว้เป็นร้อยๆแสดงเห็นว่าโรคแต่ละอย่างนั้นจะเกิดขึ้นแก่บุคคลได้เสมอไปร่างกายท่านจึงใช้คําอยู่สองคำว่าโรคคันนิททางประพังคุณงังคำว่าโรคคนิททางนั้นคือเป็นรังหรือเป็นที่ประชุมเป็นที่อยู่ของโรคนานาชนิดประพังคุณังในที่สุดก็ต้องแตกดับไป คนก็อาศัยมองทุกข์สัตย์ในแง่ที่เป็นโรคบางครั้งก็สอนในรูปของหวกฝีเพราะฝีกรัดหนองนั้นได้สร้างความทุกข์ให้ที่เห็นได้ชัดไปใช้เวทนานุปัสนาสติปัฐานดูเวทนาที่ปรากฏจากฝีนั่นเองถเวลานี้เราก็ประสบทุกขเวทนาเพราะฝีที่กรัดหนองนั้นเป็นเหตุแล้วก็ดูที่เวทนานั้น ด้าในที่สุดใจของบุคคลจะส ง, งบอยู่ที่เวทนาแล้วเมื่อจิตใจส ง, งบตั้งมั่นก็จะเห็นว่าเวทนาเองนั้นก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยก็เปลี่ยนแปลงไปปวดมากขึ้นปวดลดลงปวดทรงอยู่ก็แสดงว่าจะมีสามอย่างเพิ่มขึ้นลดลงทรงอยู่เพิ่มขึ้นนั้นอาจจะฝ่ายไม่ดีเพิ่มขึ้นหรือฝ่ายดีเพิ่มขึ้น แต่นั้นก็คือความเปลี่ยนแปลงจากนั้นก็ยกตรงนี้ขึ้นสู่พิจารณาในแนวของตรายรักโดยเห็นว่าเวทนาเองนั้นเป็นของไม่เที่ยงเมือมองเห็นเวทนาไม่เที่ยงไปจากแก่ใจไอ้ใจที่คว้าคว้าความสุขในอดีตก็จะลดน้อยลงเพราะยิ่งความสุขในอดีตนั้นไม่ใช่ไม่เที่ยงธรรมดาแต่ดับไปแล้ว แล้วไม่มีโอกาสจะเกิดขึ้นมาได้อีกไม่ว่าในการใดก็ตามสมมติว่าเกิดขึ้นในลักษณะใกล้เคียงกันหรือคล้ายคลึงกันหรือแม้แต่จะเหมือนกันแต่เป็นคนละเวทนากันเกิดขึ้นมาคนละเหตุปัจจัยกันเพีงแต่ว่าเหตุปัจจัยมีลักษณะอย่างเดียวกันจึงสามารถให้บุคคลประสบความสุขในลักษณะอย่างเดียวกันได้และเมื่อพิจารณาไป พิจารณไปก็จะมองเห็นว่าแม้เวทนาในอนาคตก็ไม่จําเป็นจะต้องไขว่คว้าอะไรไปเพราจริงๆแล้วก็ยังไม่เกิดแต่ถ้าแกเกิดแกก็คงไปของไม่เที่ยงเช่นเดียวกับเวทนาในอดีตก็มากําหนดรู้ดูเวทนาในปัจจุบันในความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในกรณีนี้ก็ดูในแง่โทษก็ดูในตัวทุกขเวทนา และเราจะเห็นในเวทนาที่ไม่สอนให้ดูจะ ใ, ในขณะที่ปรากฏเป็นทุกขเวทนาอยู่ด้านบางครั้งก็เป็นสุขบางครั้งก็กลางๆบางครั้งก็ทุกขมากขึ้นบางครั้งก็ทุกน้อยลงบางครั้งก็ทุกทรงอยู่บางครั้งก็สุขเพิ่มขึ้นบางครั้งก็สุขน้อยลงบางครั้งก็สุขทรงอยู่ตกลงว่าบุคคลสามารถจะเรียนรู้จากตัวเวทนานั่นเอง แล้วก็เชื่อมก็ไปหาเวทนาเราอึนซึ่งอาจจะมองโดยสรุปอย่างที่ทรงแสดงไว้ในพระสูตรต่างๆมียนัตมีตลักกณสูตรเป็นต้นที่ว่าเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเร็วก็ดีประณีตก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีเวทนานั้นมันก็สักแต่ว่าเวทนาแต่นั่นเองมันไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เป็นเราและไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของเราถ้าพิจารณาเห็นได้ตามความเป็นจริงเช่นนั้นเวทนากับจิตก็แยกออกจากกันเวทนาบางก็เกิดเฉพาะเวทนาข้อ น, นี้เพิ่งสังเกตว่าเราเอาของเราเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ความรู้สึกว่าเป็นของเราเป็นเราไม่ไปเกาะอยู่ด้วยเวทนาก็เสียดแทงใจเราไม่ได้จะเน้นคนอื่นประสบความทุกข์ เบลอดร้อนด้วยภัยอันตรายอย่างใดกต็ตามถ้าใจไม่ไปบวกว่าของเราเข้าในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือเป็นเราเข้าในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเราก็มองดูได้เฉยๆโดยเราไม่เจ็บไม่ปวดตามไปด้วยก้ถ า, ถามดูว่าทำไมเพราะไม่มีคำว่าของเราเข้าไปเชื่อมไว้ไม่มีคำว่าเป็นเราเข้าไปเชื่อมไว้หรือไม่มีคาว่าเป็นตัวเป็น ต, ตนของเราเข้าไปเชื่อมไว้ แต่ในความเป็นตัวเป็นตนที่สมมติปัญญัติกันอยู่นี่เองเพราจริงๆมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเหมือนกันเมื่อผู้มีปัญญาพิจารณาแล้วก็แยกจิตออกจากเวทนานั้นได้เวทนาก็เป็นสักแต่ว่าเวทนาเหมือนกับเวทนาที่เกิดขึ้นแก่คนแก่สัตว์ในส่วนต่างๆของโลกพระตาหาก่าเวทนานั้น ไม่เกี่ยวเกาะกับคําว่าของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราแล้วเวทนาเกิดต้องเกิดเหมือนกันแกคน่คนทุกๆคนแม้เกิดที่คนหนึ่งก็จะสร้างความทุกข์แก่คนหนึ่งด้วยแต่เพราะมีตัวของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนตของเราก็าไปเกี่ยวเกาะอยู่เมื่อสิ่งความเกี่ยวเกาะในฐานะทั้งสามไม่มีเวทนาจึงเกิดขึ้นเฉพาะบุคคลที่ไปเกี่ยวเกาะอยู่เท่านั้น แต่ใจของใครก็ตามที่ไม่ไปเกี่ยวเกาะโดยฐานะทั้งสามประการความทุกข์เพราะเวทนาเหล่านั้นก็จะไม่มเกิดขึ้นนั้นการศึกษาเรียนรู้จึงอาจจะเรียนรู้ในจุดใดในแง่ใดก็ได้แต่เมื่อสืบสาวไปถึงต้นเหตุของปัญหาเหล่านั้นแล้วบุคคลก็จะมองเห็นว่ามาจากกิเลสมาจากตัณหาเมื่อต้องการจะสงบระงับตัวผลมัน ก็ต้องมุ่งมั่นมาแก้ที่ตัวเหตุทั้งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆทั้งที่มีอยู่ก่อนแล้วและทั้งเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นในโอกาสต่อไปซึ่งมองแล้วดูคล้ายๆจะรุมรังวุ่นวายได้เลยแต่จริงๆแล้วมาแก้อยู่ที่ตัวปัจจุบันทำใจให้สงบอยู่ในขณะนั้นๆให้เกิดความรู้ประจักษ์แจ้งขึ้นในขณะนั้นนั้นและจะสามารถผ่อน คลายบันเทาความทุกข์และกิเลสให้เจอจางบาบางลงไปจากใจได้ตามสมควรเกี่การประพฤติปฏิบัติแต่ตนต่อแต่นี้ไปกขอให้ตั้งใจทำความสงมบสึกต่อไป